ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟั ง, งทั้งหลายแต่ลงพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาสังกปะคือความดำริในทางที่ชอบก็มาถึงจุดของอวิิงสาสังกปะคือดำริในการไม่เบียดเบียนแต่เป็นส่วนขององค์ธรรมคือการุณาแต่ว่าอาวิิงสานัน มีลักษณะกั้มกึ่งระหวา่างศีลกับธรรมะรือเจตนาวิรัติงดเว้นไม่เบียดเบียนทางกายทางวาจาแต่ตรงนี้ก็เน้นไปที่ความรู้สึกนุกคิดในดันจิตใจแต่พอจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นก็ต้องแสดงออกมาในรูปของการุณาเพราะว่าเป็นข้าศึกโดยตรงของวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียน เนื่องจากธรรมะหมวดนี้อยู่ในกลุ่มของปรมิหารทั้งสีปออปงส่ประการหรืออภิมัญญาทั้งสี่ประการซึ่งถือว่าเป็นธรรมะแกนนำในการมองโลกมองชีวิตของบัณฑิตทั้งหลายในโลกนี้หรือถ้าเรามองโดยพื้นฐานจริงๆเราจะเห็นว่าเวลาท่านแบ่งบุคคลออกไปเป็นห้าเป็นเป็นเก้ากลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกก็คือเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นกลุ่มที่สองก็เบียดเบียนบุคคลอื่นกลุ่มที่สามก็เบียดเบียนตนเองมันเป็นอาการของโลภะราคะที่แรงโทสะที่แรงความเบียดเบียนที่แรงและความริษยาที่แรงตลอดทั้งอคติที่รุนแรง แสดงว่าแต่พู่จิตอย่างนี้ก็มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มใดก็ตามหรือคนอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาก็กระทบถึงสิทธิผลประโยชน์ของบุคคลอื่นแม้จะอยู่เพียงคนเดียวก็จิตใจจะถูกเผาลนด้วยความคิดในแนวเนี้ยในแนวนของเลาฆาจัดโลภะจัดโทสะจัดโมหะจัดเปลียดเบียนจัดริศยาจัดเนี่ย อ, อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในระดับมโนษทุจริตคือความคิดมันเดียเดเบียนตัวเองความคิดเป็นศัตรูตัวตนเองตรงนี้ก็ถือว่าอยู่นอกกรอบของธรรมะนอกกรอบของศีลสมาธิปัญญาการเริ่มต้นเป็นศีลก็เริ่มต้นทิงงดเว้นหมายความว่าภาในใจนั้นอาการของราคะโลรธโทสามะก็ลดลงไป ม, มัน่าจะมีความคิดแต่ไม่ถึงก็ออกมาทางกายทางวาจาอย่างการที่เรารักษาศีลเนี่ยเราจะเห็นว่าบางอย่างใจมันก็วัดไปวัดมาเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทำทุจริตทางกายทางวาจาคือไม่พูดออกไปแล้วไม่ทำไปเรื่งนี้ก็จะออกมาในรูปของการไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่น ก็กลายเป็นอาการของศีลความสมดวลระหว่างที่ปรากฏเป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ยคือทางกายกับทางวาจาเราไม่มีการพูดไม่มีการกระทําที่เป็นการเบียดเบียนประฏิสลายทั้งตนเองและบุคคลอื่นจนเราก็สามารถจะดูในกรอบของศีลทั้งห้าประการแต่ว่าพอมาถึงชั้นนี้มันหยิดมันจะนนี้ขึ้นไปกว่านั้น โลกธาตุมันเปลี่ยนคือมองโลกมองชีวิตในแง่ที่อบอุ่นเกื้อกูลสร้างสรรค์และก็เป็นมิตรมากยิ่งขึ้นเพราะแนวของความคิดที่เป็นสมารส์สกับป่าเนี่ยในข้อแรกก็มองทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นคู่ครองของบุคคลอื่นด้วยความสำรวมระวังแล้วคาร์โสิทธิของเขาไม่มีแม่แต่ความคิดที่จะร่วงระมัดสิทธิ ในคู่ครองของบุคคลอื่นหรือว่าทรัพย์สินของบุคคลอื่นเลยเห็นว่าถ้าเรามองในแนวของกุศลกบฏก็คืออยู่ในกลุ่มในระดับของมโษสุจริตทั้งสามประการหมายความมากายก็สงบปัญญาก็สงบและตอนนี้จะสงบที่ใจหล้แต่อย่างที่บอกไว้ว่าปัญญานนั้จะต้องเด่น คือถ้าปริมาณของปัญญาไม่เพิ่มมากพอแล้วนี่ทำใจยากพอโดยสัญชาตญาณของสัตว์โลกเนี่ยมันมีความเด็ดเดียนแล้วก็มีความริษยากันมีการหลงไห้ไปตามอารมณ์ที่ทรงใช้กันมายินดียินร้ายเพราะแนวที่เดินมาจากเมตตามาจนถึงกรุณาเราลองสังเกตว่าความคิดไม่ได้ออกมาในแนวนั้น เมตา น, นั้นเป็นความเกื้อกูมเป็นลักษณะคือจิตใจนั้นจะอ้วอาทรหวงใหญ่ต่อบุคคลอื่นมึงดีปรธาธนาดีต่อบุคคลอื่นและวก็มีการประพริมีการทำตลอดทั้มีความคิดที่จะทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและในขณะเดียวกันก็แสดงออกมาได้ทางกายทางวา จ, จาที่ท่านเรียกว่าเป็นกายกรรมเป็นวาจกรรม และภายในจิตนั้นจะขจัดความอาฆาตพยาบาทออกไปคือไม่มีความรู้สึกอาฆาตพยาบาทต่อใครๆใจของบุคคลผู้นั้นมีความสงบมีความเยือกเย็นแล้วก็มองสัตว์ประชีวิตเป็นขันห้าเป็นขันหนึ่งเป็นขันสี่อย่างที่เราพูดโดยสรุปเนี่ยคือมองด้วยความเมตตาปรารถนาดี ไม่ต้องการที่จะเห็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีเวรมีพรยมีอันตรายเดียเดเบียนกันประทุษรายกันและเย็นว่ามันเข้าถึงจิตลักษณะกรุณาที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่มันจะมีความประณีตขึ้นไปยิ่งกว่าคือจิตใจนั้นจะเข้าไปอบอุ้มคุ้มครองออปกป้องภยัยผ้องภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้น เห็นเขาประสบความทุกข์ประสบภัยประสบโรคแล้วต้องการจะมีส่วนแบ่งในการบำบัดทุกภัยโรคให้แก่เขาแล้วก็ทนอยู่เฉยเฉยไม่ได้เมื่อเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอืน่นจรืยใจนั้นไม่มากไปด้วยไม่มีไมใไม่มากคือไม่ไม่มีความคิดในส่องเบียดเบียน แราเห็นว่าเป็นคําสอนที่ปรับจิตมาโดยลําดับมาจนถึงจุดหนึ่งไปต่อสู้กับสัญชาตญาณดิบอีกตัวหนึ่งคือกรณุณานั้นไปต่อสู้กับวิหิงสาซึ่งเป็นสัญชาตญาณดิบเลยอย่างหนึ่งพอมาถึงมุติตาเนี่ยไปต่อสู้กับวิ์ยาซึ่งเป็นสัญชาตญาณดิบเหมือนกันเราสังเกต น, นะสตร์เนี่มันจะมีสัญชาตญาณดิบตัวนี้ใครได้อาหารมันก็แย่ง ใครได้คู่ครองก็แย่งก็ต่อสู้กันแล้วก็ทนหญิงคนดีนดีไม่ได้จนว่าแบบสัญชาติยานของสัตว์ป่านี่เราเร า, เรามีความชัดเจนมากว่าสัตว์ป่านั้นใครเป็นใหญ่ก็เตรียมตัวจะถูกทําลายเพราะมีสัตว์มันทิศยาเยอะหลสุดก็แย่งกันครอบครองแย่งกันเป็นเจ้าฝูงแย่งกันเป็นผู้นําในหมู่สัตว์โดยฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งหรยอขับไล่อีกฝ่ายหนึ่งออกไปและตัวเองก็แย่ง ครอบครองสิ่งเหล่านั้นก็แย่งเพื่อจะถูกแย่งต่อไปก็กลายเป็นวงจรที่อภปรักษ์ในหมู่สัตว์โลกแต่มันก็สะท้อนให้เห็นทั้งว่าสัญชาตญาณดิบเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีการลดละบับเท่าแล้วเนี่ยมาอยู่ภายในใจของคนคนมีเครื่องทุนแรงมีสติปัญญาในขณะที่มีสมรรถปัญญาคือปัญญาเดนชอบก็มีมิจฉปัญญาคือปัญญาเดนผิดอยู่ด้วย เพนั้นแนวของมุติตาเนี่ยเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมองเห็นคุณค่าของเม็ดมุติตาจิตเพราอย่าลืมว่ามันเป็นธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติมันก็ถึงเราก่อนนะฮะเกิดขึ้นไปในใจเราก่อนได้ออกมาทางกายทางวาจาของเราก่อนก็แสดงว่าเราได้ปฏิบัติธรรมได้สัมผัสผลของธรรมเป็นกา ย, ยสุจริตวิจีสุจริตปโนสุจริตก่อนเราก็เป็นคนดีก่อนนะนะแล้วก็อู้ อ, อาอรกับบุคคลอีก จึ่งไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามีการชื่นชมสมบัติที่บุคคลอื่นได้เป็นลนักษณะแสดงว่ามันยกระดับจิตขึ้นมาหลายชั้นนะในชั้นหยาบๆที่แรงในเห็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็เกิดเกิดโลภ บ, บ้างเกิดราคะบ้างเกิดเบียดเบียนบ้างนะเกิดเิียาบ้าง แล้วบางครั้งมันไม่ได้อยู่เฉพาะความรู้สึกมันคิดจะออกมาในรูปของการยื้อแย่งการทําลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อครอบครองสิ่งที่ตนต้องการอย่างที่ท่านพูดไปว่าแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิสวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นั่นเป็นอาการยื้อแย่งเพื่อต้องการจะครอบครองตอนนี้ผิดตั้งแต่สีนี่นะ ทีนี้พอมาถึงสีนี่เราจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ชื่นชมมันอาจจะรู้สึกโลภอยากได้มันอาจจะรู้สึกลิสยาอยู่นิดๆ น, น, นะฮะแต่ว่าก็ไม่พูดทุจริตไม่ทำทุจริตออกไปก็ดีกว่าคือว่าเขาเองก็ยังไม่เดือดร้อนแต่ใจเราที่ลิษยาเราเดือดร้อนนะหมายความว่าจิตมันก็เดิน ม, มาได้สองระดับ คือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนทางตนเองและบุคคลอื่นแต่ไอตัวความคิดที่ริษยาความคิดที่โลภเนี่ยมันเบียดเบียนใจตัวเองตรงนี้ก็ขึ้นมาอะดับหนนะเป็นอาการของธรรมะที่อบอุ้มหุ้งคอ ง, งปกป้องรักษาอภิบาลเป็นธรรมะเนี่ยระดับอภิบาลแสดงว่ใจมันก็ขึ้นบันไดมาหลายขั้นนะ มาจนถึงเป็นการทำประโยชน์ต่อตนเองทำประโยชน์ต่อบุคคลอื่นคือเห็นเขามีความเจริญก้าวหน้าเราจะริษยาอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาแต่การที่เราชื่นชมกเขาเนี่ยเราก็ได้ความสงบเย็นภายในใจเขาเองก็ไม่ถูกคนอื่นเบียดเบียนริษยามุงร้าย แต่พลังของความคิดเนี่ยมันจะต้องมีกระม่อมากคือต้องขจัดริษยาได้อย่างที่บอกภารกิจหลักของมุติตาก็คือขจัดริษยาเป็นการชักกระเยาะกันอย่างแรงภายในใจเป็นการต่อสู้กันอย่างมากเพราะว่าเราดูให้ดีนะฮะเช่นว่ า, อ ย, าอย่างบ้านเมืองเราเนี่ยตำแหน่งนายกบัญชีก็มีคนเดียวใครเติมก็ตามไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยมีคนวิพากวิจารณมีคนด่าว่ามีคนตำหนิตีเตียน ไม่เคยมีนาะยกรัตรี ด, ดีนอกจากคนตายแล้วจะไปดีตอนตายนะฮะตอนเป็นๆเราต้องมีคนตำหนิมีคนทุ่ติงมีคนกล่าวหาใส่ร้ายไปสีนะผู้จะหาเรื่องให้มันลดดีเครดิตของคนเหล่านี้ลงไปจนได้ทั้ทั้งนี้มันเป็นตำแหน่งที่มาโดยกระบวนการเป็นกติกาภายในสังคมแต่ว่าคนทำใจให้ไม่วิษยาไม่ได้ ความวิสวรก็ออกมาทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นเขาเจริญก้าวหน้าจนรนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นก็ได้ดีเพระาะฉะนั้นมทตามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้สึกบันเทิงเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในการได้ดีของบุคคลอื่นแล้วก็มีพลานุภาพคล้ายๆกับความเย็นที่เกิดขึ้นจนสามารถกะจัดความร้อนได้ควา ม, มืด แต่ไม่ใช่แสงสว่างที่มีกำลังมากพอต่อการขจัดความมืดได้เนี่ยแล้วก็มีอันขจัดความไม่ยินดีเป็นผลคือไม่ยินดีในตัวคนนะฮะให้เราสังเกตว่าถ้าเราไม่ชอบคนเราโมทิตาไม่ได้หรือเราชอบของที่เขาได้เนี่ยเ ร, เราก็มเราก็โมทิตาไม่ได้ เะะนันมันต้องขจัดได้ทั้งความยินดียินได้ขจัดออกได้ทั้งความยินดียินได้คือก็าจากความยินดีในสิ่งของที่เขาได้คือเราจะเป็นโลคของที่เขาได้แล้วขดัดขจัดความยินร้ายในตัวคนที่เขาได้เห็นไหมมันมาถึงหลักตรงหนึ่งที่เราน่าทึ่งมากพอศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าท ร, ทรงใช้คําว่ายินดียินร้ายอยู่เรื่อย เพราะจากจุดเนี้มันจะลามตามไปหาอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราคุมใจได้ ไ, ดไม่ให้เกิดจินตีจินไรมันก็ลดละบรรเทาลงไปได้แล้วก็มีการเห็นสมบัติของบุคคลอื่นเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมันเป็นการพิสูจน์ใจมนุษย์น่ะพิสูจน์ใจมนุษย์ว่าพัฒนาไปได้ถึงไหนล่ะบางครัง้งบางคราวเนี่ยเขาก็ต้องการทดลองเฉย อย่างแนวของเราตามปกติก็ไม่ค่อยทดลองอะไรกันเท่าไรนะแนวนิกายเซนเนี่ยก็ทดลองเยอะบางครั้งมีการพิสูจน์ทดสอบดูถึงความเข้มแข็งภายในจิตใจว่าคนเหล่าเนี้สามารถจะบวชไปฝึกปรมาจรรันได้ไหมลูกศิษย์ก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับการพิสูจน์ทดสอบจากครูบาอาจารย์แต่บางทีทางก็เล่นแรงอรงเช่นก็เล่า ว, ว่า ลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ไอโทสะนี่รูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงความประทุษร้ายในรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์เ อ, อ, อาไม้ตีะระฆังเคาะหัวโปกก๊กเขมาแล้วก็ทีโครมออไปข้างนอกแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าให้ยืนตากฝนอยู่ข้างนอกจนวนหายนะดังก็เปิดประตูแล้วก็เรียกเขามาถามาถามันเป็นไงเห็นโทสะหรือยังเป็นวิธีทดสอบ เองนดีดทดสอบจิตใจของบุคคลแต่บางทีมันไม่ผ่านด่านก็เาเล่าว่ามีคนคนหนึ่งไปหาหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งขอสมัครเป็นสมาชิกเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวการต่อไปแทนหัวหน้าพรรคการเมืองบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายนะคุณน้าเล่นการเมืองอนะ่ะมันต้องอดกั้นต้องอดทน นะทนต่อการสบ ป, ประม า, าทถูถูกดูกมินด่าเถาด่าด่าเถาะใส่ร้า ย, ายป้ายสีกล่าวหาต่างๆได้แต่พอตนไม่ได้แล้วเนี่ยคุณก็เป็นไม่ได้หรอกเพราะว่ามีค่าสึกเยอะแกะบอกไม่เป็นไรผมกนได้ผมมีความอดขั้นความอดทนไปลายแกก็คุยโง้โอะไรอย่างเ้ยนะวันอาพิตย์เขาก็ทดลองก็คุยไปเรื่นงอื่นเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะจนเพลินจนเ้าลืมไป ก็บอกว่าเออมันมีข่าวนะว่าพ่อแม่พ่อของคุณในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่พ่อจริงหรอกคุณเป็นลูกชู้แม่คุณคบชู้แล้วก็เกิดคุณมาลุกขึ้นหน้าตานเกลียวโขดจ้ำแวงเลยนะฮะเรียกหาคนที่กล่าวหาแกอย่างนั้นวานาพักกันเมืองบอกว่านี่เห็นนะคุณไม่อดุดทน ถูกกาหานี่เดียวพุ่งโคก ร, รแล้วร้องพูเป็นหน้าการเิรือกไม่ได้ครับไอ้ทัพ์สมบัติตรงนี้มันเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์คนว่าเราจะมีความเข้มแข็งขนาดไหนจะา้ากว่าผนานด่าตรงนี้ไปได้ยังแน่เรื่องอะไรอ่าเศร้าลิ้นอะไรเนี่ยคือยังนึกถึงในแง่ของปิชนาธรรมในแง่ของธรรมะในว่าเขาเก่งอะนะ ผ่านด่านตรงนั้นด่านตรงนี้ด่านตรงโน้นมันสร้างขึ้นเพื่อทดสอบคนคล้ายๆกับคนที่ผ่านการสอบการซักถามการคัดค้านการตรวจสอบในด้านต่างๆเนี่ยเพื่อดูถึงความเข้มแข็งความพร้อมของบุคคลเหล่านั้นการปฏิบัติธรรมะที่จริงมันก็เข้าสู่สนามโลก มันก็เหมือนการทำสงครามกับกิเลสเนี่ยเราก็ต่อสู้กันเป็นการภายในใจของเราแล้วก็ตามปกติทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายปัญหาตรงขา้ามมันเป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเนี่ยถ้าเรายินดีมากเนี่ยก็กลายเป็นผิดศีลนะเดนี๋ยวมันจะกลับไปที่เดิมเลยถ้าเรายินดีมากเนี่ยกลายเป็นละโมบแล้วก็อาจจะผิดศีลไปจกชิงวิ่งราวชอบชนเขา หรือถ้าหากว่าเราโลภพอสมควรคือคิดอยากเพ่งเลงโลภอยากได้มันก็ผิดธรรมะคือกุศลกบฏตอนนี้มันพัฒนากันไปเยอะเลยไปยินดีเนี่ยไปยินดีในทรัพสมบัติของบุคคลอื่นซึ่งอย่างที่บอกว่ามันต้องสืบเนื่องมาจากคนนั้นเราต้องไม่เกลียดเขาถ้าเกลียดเขาการเป็นศึกสองด้านสึกนาโลกยากนะ รบยากังนั้นมันมั น, ม, นมันจะต้องมีความพร้อมที่จะรบในท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าคนเราก็เกลียดเขาแล้วก็ทรับสมบัติเขาเราก็อยากได้แล้วเราจะเจริญมุติกานี่ไม่ได้หรอกนั้นทำไม่ได้เพราะอรเราใจมันจะแว่งไประหว่างโทสะกับโลภะ คือโทสะในคนนะโลภะในของโทสะในคนโลภะในของแล้วก็เสร็จแล้วก็จิตใจก็ฟุง้งซ่านหาความสงบไม่ได้เพราะวิธีการของพระเจ้าที่จริงมันเป็นเทคนิคเป็นการสอนปรับสภาพจิตสมความเข้มแข็งมาโดยลําดับแล้วก็ตัวเมตตาเนี่ยจะเป็นฐานมากเป็นฐานใหญ่มากเพราะเมตตามันมองไม่แยกส่วนเละคือมองเป็นหนึ่งเดียวมองสเปสตา แต่กรุณนาเนี่ยมองเฉพาะคนที่ประสบทุกภัยโรคมุติตานี่มองเฉพาะกลุ่มคนที่เราเป็นสะเพรตตานั่นแหละแต่เรามองเฉพาะคนที่ประสบลาภที่สันสนสุดมันก็เป็นรานทดสอบนะครับว่าคุณเม่ตาเขาจริงหรือเปล่าบางทีก็เป็นเม่ตาอาศัยคล้ายๆกับที่เราพูดถึงว่าคนที่มียำมาจกับคนที่มีทรัพย์มากเนี่ย เราแยกไม่ออกระหว่างมิตรกับศัตรูว่าใครเป็นมิตรแท้หรือว่าเป็นศัตรูในร่างมิตรเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ที่จะกู้คูลแก่เขาแล้วเขาที่เข้ามาเราเนี่ยก็ไม่รู้มาโดวยวัตถุประสงค์อะไรนะที่เขาบอกว่ายีงินมีทองเนี่ยพี่น้องก็มีมาเป็นนันมากแต่ว่า พอไม่มีเงานไม่มีทองพี่น้องก็ไม่มีเพราะแสดงระาญาตพี่น้องเหล่านั้นเข้ามาด้วยเงินด้วยทองเขาไม่ได้มาด้วยพวเราแต่เขามาด้วยหวังผลประโยชน์จากเราญาติาพี่น้องเนี่ยเราบางทีเราจะจะเห็นว่ามันเวลาเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์จากเราเขาก็โผล่มาไม่ได้ประโยชน์จากเราเขาก็ไม่โผล่มาเพรา ะ, ะเราก็ต้องมีประโยชน์อะไรให้เขา นั่นก็แสดงว่าเข้ามาด้วยโลภะเข้ามาด้วยเพราะได้อุน ญ, ญาติคือขอมีส่วนแบบ่งมีส่วนร่วมในการเจริญก้าวหน้าของบุคคลผู้ธันของเราดังการที่ทําใจเนี่ยทําใจให้เป็นมุติตาได้ก็คือการลดโลภะโทสะเป็นการลดโลภะในสิ่งที่เขาได้ แต่การลดโทสะในตัวคนเพราะหน้าที่ของเขาจริงไปขจัดตัวริษยาริษยานันเป็นอาการร่วมนะให้ลองังเก็ตริษยาเนี่ยคือว่าคนฤิสยาคนทีก็ได้ดีก็แสดงว่าเราอยากได้เสียเองก็ได้ลาบได้ยศได้สรเสริญและความสุขเราก็ริษยาเขาก็แสดงเราอยากได้เสียเองมันมีโทสะในตัวคน มันมีโลภะในตัวสิ่งที่เขาได้มีโทสะในตัวคน ม, มีโมหะในเหตุผล ม, มีโมหะในกฎของกรรมนะฮะปุดงา่ายมีโมหะในกฎของกรรมเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มองโดยเหตุโดยผลว่าการที่เขาได้เนี่ยเพราะว่าการกระทำของเขาก็ทําดีก็ ไ, ได้ดีก็ทำโชคก็ได้โชคบางคนแก่การในมโนทนาตรงนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่มันสับสนอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนเดี๋ยว่า เวลาเขาทําชั่วเนี่เราขอโดยสารทําชั่วกับเขาไปดาว่าไปซ้ำเติมเขาไปประทุษร้ายเขาหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่ทําชั่วเหล่านั้นเป็นคนซึ่งเราอยู่ในองค์กรที่เราเคารพนับถือเราก็หยุดทำำดําทำความดีแต่ว่าก็ทําทําดีแทนที่เราจะอาศัยนัยยะของเขาเพื่อดําเนินชีวิตไปบนเส้นทางสายเดียวกันเราก็เกิดริษยา เราแสดงอาศัยความดีของคนอื่นเป็นเครื่องมือในการทําชั่วของตัวเองแต่มุติตาเนี่ยไม่ใช่เลยมุติตานั้นอาศัยความดีของบุนคคลอื่นเป็นเครื่นนนองมือในการทําดีของเราอาศัยความชั่วของบุนคคลอื่นเราเป็นมุติตาอะไรก็ไม่ได้นะเราอุเบกขาก็กลายเป็นอาศัยความชั่วของบุคคลอื่นเป็นเครื่องมือในการทําดีของเราเพราะเขาจะเป็นยังไงเราได้ดีตลอด เพราะันเป็นหลักการบริหารชีวิตด้วยปัญญาคือสมารถสังกปะในสมาธิจิตอันคร่าเต้องฟังเท่าไรไปลงมพปิญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงอิได่านผู้ฟังเหลาไรดยทุกันสวัสดี